Mm hmm.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 เอามาตอกย้าซ้าทวนมันก็ยิ่งทาให้มีความทุกข์มากขึ้นแล้วก็ยิ่งโกรธเพราะยิ่งโกรธแล้วก็ยิ่งคิดจะไปเล่นงานเขานี่เพราะลืมดูใจของตัวเองลืมดูใจว่าเราไม่ชอบคาพูดเหล่านี้แล้วทำไมเราคิดถึงมันบ่อยๆเคยถามเราไม่ชอบการกระทำแบบนี้เราไม่ชอบคาพูดแบบนี้แต่ทำไมชอบนึกถึงมันบ่อยๆเราก็แค่วางมันลงก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนแต่พอเอา